มาว่าเลยทีเดียวนโมตัสสะมะขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะมะขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะ ขาววาโตข่าววาโตพระหสโตระหัโตสัมมาสัมมาัมพุทธัสสะัมพุทธัสสะอันโนมุตติสะนี่เป็นภาษาบาลีพวกเราก็เข้าใจกันดีอยู่แล้วเอาวันนี้ก็บพุทธังสนังขฉานี้ ทำมังสารนังคาฉานี้ทำมังสรนังคาฉานีสังขังสารนังคาังขัานฉานี้ทุติยัมติพุทังสารนังคาฉานี้ยมิพุทุติยัมติทมังสรนังานี้ทุติยมิมังสรังคฉาุิยัมิสังขังสารังคาฉานี้ติยมิาังานี้ นาติยัมปีพุทธังสรนังขจามิ no นาติยัมปีพุทธังสันังขจามินาติยัมปีธรรมังสรนังขจามินาติยัีธรรมังสนังขจามินาติยัมสังขังสรนังขจามินาติยัีสังขังสันังขจามิอันนี้ก็เป็นภาษาบาลีเหมือนกันคนะนโมทัสสะแต่ว่าพวกเรานานๆจะได้ฟังเรืองพุทธังพุทธังสันนังขจามิ ข้าพเจ้าถือเอาพระเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งกําจัดทุกได้จริงกําจัดภัยได้จริงแต่ทำมังสนากฉาข้าพเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสรณะเป็นที่พึ่งกําจัดภัยได้จริงหรือการจัดทุกได้จริงตะติยมปิสังคังสนักฉาข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งกําจัดทุกกําจัดภัยได้จริงแต่แต่ว่าสามรอบ แต่การไม่ต้องพูดมากทุกคนพอจ ะ, จะเข้าใจกันดีเอาวันนี้ว่าตามเลือดเนื้ อ, เ, อ, เ, นอเนื้อเอ็นจากเนื้อหแห้งไปก็ตามกร ะ, ะดูก จะถูกพัังแไปก็ตามถ้าไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจสาบซึ้งในมะในผนิพานจะไม่หนีไปจากที่นี้คํานี้ก็ให้เข้าใจคือว่าเราจะทําเนี่ยเลือดเนื้อเหื่อเอ็นจะมุด้วก็ตามกระดูกจะถูกังแไปก็ตาม ถ้าไม่เข้าใจแล้วจะไม่ปล่อยไม่ปะหรือจะไม่ละทิ้งจะทําอย่างนี้จนหมดลมหายใจเมื่อใดก็เป็นอันวัดทิ้นกันเมื่อ น, นั้นอันที่กมหมายอันนี้นะเดอยวเลือดเนื้อเหื่อเองจะเลื่อนแห้งไก็ตามถ้าไม่รู้แจ้งเห็นจริงไม่เข้าใจจริงมรรคผลนิพพานแล้วจะไม่หนีไปจากนี้บมุนสิบุญจากสำนักนี้บุญนันคือจะไม่ทอดทิ้งจะไม่ละจะปฏิบัติยั่งยืนสำารับท่นอันนี้ก็พอที่จะเข้าใจแล้วนะ วันนี้ครับบทต้องรับพรเป็นภาษาบาลีครับบทต้องรับพรทั้งเมดให้กรรมฐานแล้วหลวงพ่อจะพูดให้ฟังไหมนฟังตั้งใจฟัง <c oughs> วันนี้เป็นวันลิเลมเจวากรรมฐานก็ได้เจวะวิวปัสสนาก็ได้เป็นการเริ่มต้นซีวิตใหม่ ถ้าจะพูดถึงกรมรมฐานนั้ยมันกระว่าให้พีจันนานอัุภะกรรมฐ า, านแต่ว่าเมื่อพูดถึงอสุภะกรมรมฐานก็ต้องมาว่ากันลึกนิดสักหน่อยคนเราแต่ฉันมันมันออกแต่ไตายไ ป, ปยัง <c oughs> คนเรา <c oughs> บ่เข้าใจบ่งเข้าใจในคําพูดแต่ละคําเนี่ย มันเป็นธรรมดายู่ในบอกเข้าใจอย่างอย่างพอวานี่คือกันถ้านจะว่าก็ว่าให้มันเข้าใจหลักชณะที่พวกเราเข้าวัดฟังธรรมฟังเทศก็ดีฟังพระท่านแสดงธรรมก็ดีนึกฟังพระพเพจน์ว่าให้ฟังก็ดีเขาบอกเข้าใจเมื่อเขาบอกเข้าใจแล้วก็มีการพอใจก็นี้บางคนบางคนก็ไม่พอใจก็นี้ ดังนั้นการฟังธรรมะนั่นจึงมีอยู่สามประเภทคนของคนที่ฟังเป็นเกิดปัญญามีความสนใจธรรมะอยู่แล้วเนะี่ยฟังเข้าใจง่ายผู้นี้ฟังแล้วก็อยากสนับสนุนผู้นี้ผู้นึ่งฟังแล้วเกิดบุกอใจหาว่าคนนั้นคนที่มาแสดงธรรมนี่เนี่ยมาลบล้างขนบธรรมเนียมประเพณีของเขา ของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขามกวรที่จะเป็ น, นอาจารย์กตตานุเนี่ยต้องขัดขวงเป็นมีพักมีพวกคนหนึ่งท่านฟังแล้วดีก็สร้างชั่วกระตามมู่สนใจกระสนใจมู้โบสนใ จ, นใจกระบบสนใจพนหนึ่งมันเป็นประเภทหนึ่งคนฟังธรรมะจึงมีสามประเภทด้วยกันฟังแล้วเข้าใจดังนั้นการให้ทานนั้นบัรเนี่ยมาว่าเรื่องการให้ทาน ทุกคนได้ให้ทานมาแล้วในตักบาตรตอนเช้าในทรงอาหารพระเรียกว่าไปจังหันบ้นานเฮาอ่ะตอนเช้าตอนเพลนี่ยก็ไปเพลนได้ทามาแล้วอูนึ่ทุกคนในพมภวาเนี่ยต้องได้ใส่บาตรไปจังหันไปเพลนกันบันนี้ตอนรับศีลบันนี้ทึกวันพระบ้านเฮากับสอบกันไปรับศีลนําพ่อนําแม่แคู่น้อยก็ได้ พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาก็เคยผารับสินผู้นุ่มก็รับนึ่พอนึําแม่รับสินห้าบางคนขอรับสินแปดอันนี้ทุกคนก็ได้รับมาแล้วบางคนก็ทำกรรมฐานภาวนาพุทโธบ้างสัมมาอรหังบ้างนับหนึ่งสองสามบ้างหองยุบบ้างดูลมหายใจบ้างทุกคน รู้จักกันบางคนก็ไม่ได้เฮ็ดนนเรื่องกรรมฐานบางคนก็เฮ็ดคำว่าเฮ็ดนี่ก็คือเข้าใจกันภาษาบานั่นเรียกว่าทำบางคนก็ได้ทำมาบางคนก็ไม่ได้ทำอนนตอนวิปัสสนาเนี่ยบ่อยมีดังนั้นที่ขอกรรมฐานมือนี้นะก็เพื่อว่าจะมาทำวิปัสสนานเรื่องอัจฉริยะนั่นก็นว่าให้ฟังจากเรื่องหนึ่งก็ได้ฮาแต่บางคนอาจจะไ่ได้สนใจ ดังนั้นคนไม่ได้สนใจเคิด่อมาก็ต้องเลี้ยวแต่น้าไปเลี้ยวแต่หน้าไปย่างไปแต่ข้างหน้าเลี้ยวไปข้างหน้าไม่ได้เลี้ยวกับหลังจากเถธอเมื่อเน่ก็อยากให้พ่อแม่ทีน้องหรือลูกหลานอ้าน้องแขกเขาเนี่ยเลี้ยวหลังคืนบ้างอย่าสู้เลี้ยวแต่ข้างหน้าอย่างเดียวถ้าพระเจ้าหรือพ่อแม่ปู่ย่าตายายวันยะสู้เลี้ยวแต่ข้างหน้าบัดเดียวนะไปใส่มาใส่ก็เลี้ยวหน้าเลี้ยวดังแด่เป็นว่ากัน อันนี้ก็ถูกน้อยวันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนเลียวหน้าเหลี่ยวหลัง่ิแลซ้ายแลขวาแดวสเฮาเกิดมาตั้งอัตราชีวิตของเฮาไวห้าปีบบธันหัจักยั่งหละเลี้ยวไปแต่นหน้าเรื่อนหลังบเลียยวกักเธออายุสิบปีแบบ น, นี้ตั้งเวลาห้าปีนักไข่กั น, นก็เลี้ยวไปแต่นหน้าคุณ เห็นเพื่อนอยู่ดีมีแหงกัญยักอยู่ดีมีแหงนะเพื่อนเห็นเพื่อนมีเงินมีทองกัญยักษ์มีนะเพื่อนเห็นเพื่อนเป็นเช่นนักัญจักเป็นนะเพื่อนเล้ยวไป็นนาเพื่นไม่ได้เรลือเบ่งเฮาเทือนนี้กันเ้อายุสิบห้าปีป่ะเนี้ยตั้งเอาระยะห้าปีเป็นเกณฑ์ก็ยิงขนองเป็นเด็กเป็นนุ่มขนองผู้หญิงก็เป็นขนองนะขนุ่มขนองผู้ชายก็เป็นนุ่มขนองยิงแลบป่เนี้ยพอแม่บอกกับโบคอยเสือฟัง ค อ, อยบูอยากฟังเทศ <c oughs> ฟังธรรมคนสมัย น, นี้เลี้ยวเดนหน้าไปเลยเนั่นเอาตั้งอัตตากันไว้อีกตื้ยี่สิบปีแบบ น, นี้ผูดใส่ก็ต้องบวชบวชเรียนเขียนอ่านพันวาผู้ใายขันบบบวชนั้ น, นไวไวเป่นคนดิบเป็นวะพอแม่ไว้ก่ประจําเป็นต้องบวชอายุยี่สิบปีหรือว่าให้เป็นคนสุขพป่นวะแม่คณะบวชเร่องกับโบดได้เหลี่ยวหลังสำบางคนบางคนกับทีได้เหลี่ยวหลัง เลี่ยวหลังมีคนหม่อย่ังไดรก็ต้องเบิงตัวเองบางคนก็บรรหาได้เบิงจากเธอเบิงตัวเองเบิงแต่มมือจนกระทั่งอายุยี่สิบห้าปีเอาสมบูรณ์อย่งเงี้ยกฎหมายแบบนี้ยี่สิบปีสมบูรณ์อยเงี่ยกฎหมายแล้วมายี่สิบห้าปีบางคนบางคนก็ยู้ไปเลยถึงสามสิบปีกว่านี้บางคนก็บบนนได้เลี่ยวหลังเลยแล้วบางคนก็บรทหาได้เลี่ยวหลังเธ อ, อยังเลี้ยวไปทางหน้าเมื่อเนี้อกะยัก แนะนำให้พ่อแม่พี่น้องหรือลูกหลานเนื่ารุ่นลาวเขาเดียวหลวงพ่กะจีมีน้อยที่อยู่เนี่ยอยากให้เหลี้ยวหลังคืนบ้างแนวเหลี้ยวซ้ายหเหลี้ยวขวบ้างอย่าสู้เลี้ยวแต่ครังหน้าถ้าเหลี้ยวแต่ครังหน้าเขาจะเฮ็นแต่แนวที่เขาพ่อแม่เคยสอนมานั้นเขาจะไม่ได้เห็นตัวเขาเมื่อเขาไปเห็นตัวเขาการแสดงว่าเขายังบม่รู้ตัวเขาเป็นอะไร เมื่อพูดมาตอนนี้กระยับแนะนําเรื่องกรรมฐานา ก, ก่อนเพราะว่าขอกรรมฐานเมื่อกี้เนี่ยให้พิจารณากรรมฐานาอัน้นี้หลวงพ่อได้เทียนแต่เมื่อเป็นเนนพอกรูบาท่านสอนพอแม่ผู้ที่เกิดรุ่นหลวงพ่อจะรู้จักผู้ที่เกิดก่อนกันกบุงจีนมีน้อยหรืออาจจะบ่มีอยู่นี้ก็จีมีน้อยคนและบางคนขงจีรู้จักบางขงจีนไ่รู้มาเป็นอาจารย์บัดนี้การ ที่มาบวชเนี่ยพ้นให้สอนเออเพ้นสอนให้ทํากรรมฐานกรรมฐานครัก็ไปเพ่งคือยังเกสะโลมาเนี่ยพ้นกระวางแต่เต็นย์เนี่ยพอโบวายอย่างสั้นให้เพ่งกรรมฐานคนนี้ทุกคนอาบนามือหนึ่งสองเถื่ออาบเพื่อหยัง่งเพื่อสวดเพืองานเ่โบแมนเพื่อล้างเหือ่อล้างไข่เขาเมื่อไข่มันพอกเขาไปทําให้ทํานาทำํทำพ่อทําสวน ออกเหือ่อดเหม็นคันโบอาบน้ามันเหม็นนอนมือคับเมื่อคืนมาอาบมือสอง เ, ออ เ, เทือเมื่อเช้าเธอหนึง่งเมื่อสวยเธอนึงอาบล่างเหือดล่างไข้คันโบล่างมันเหม็นอันนี้แหละอสุภะดลวงพอจีนมาไว้ายสั ง, ง่ายๆโบต้อเพ่งถือว่าผมงอกฟันหักโบต้องเพ่งอะไรมากบัดนี้นอนตื่นเมื่อเช้ามาคันโบนล่างหน้าล่างตาเป็นยังไงล่ะไปปากน้าพี่น้ำน้อ ง, งมันก็เหม็นศกเหม็นปากคนว่า จำเป็นต้องสซวยหน้าบ้านหอน่วาซวยหน้าขันไปว่า <c oughs> บนอินทร์พลางหน้า <c oughs> แล้วก็ถูกฟันสมัยหลวงพ่อยังน้อยว่ามีแปงถูกฟันเอามือหุกเอาล้างหน้าแล้วก็เอามือหุกแหนมเป็นคนฟันแล้วก็มาเอาไม้ปนทาเขานี่แหละมันมาทับเป็นฟอยแล้วก็ยกูสู่เอาแทน อ, อันแปงสู่ฟันเดี๋ยวนี้มีแปงถูกฟันให้เขาแล้วยาถูกฟันกับมือ แต่นต่ไม okay. like ั้นต้องอมเกลือเอาเกลืออมแล้วเอามือฮุกเป็นอย่างสั้นอันนี้เป็นเรื่องอสุภะจาเป็นนอนตื่นมันก็ต้องลางหน้าแปรงฟันถ้าบอลลางหน้าแปรงฟันมันเหม็นปากวันนี้เนี่ยเป็นอสุภะเป็นกรรมฐานอืปากพร้อมในที่น้องกะบกค่อยดีเหม็นขี้ตาออกมากระเนี็นขี้ออกมาหนึ่งขี้หัวเอาเอิงขี้หัวขี้หลังแขง ออกทางตาเ อ, อื้นที่ตาออกทางหัวเอื้องี่หูออกทางดังหวัวที่ดังออกใต้ข้อเอื้องขี่คอออกขี้แหวเอื้องี่แหะแล้วขันเหม็นที่แฮะนี่ยมันเหม็นอาบนําคนบหกโบสีมันเหม็นก็นจะเอื้องขี่เตาะสิอันนี้ก็ให้หอมพี้เจรินาเตาที่เมื่อกี้จะขี้แหะหอมได้อย่างไรคนบัรักษามันก็นเหม็นกันว่าอาบนําน้อยแล้วอาบนํากับโบก พยายามฮุกมันที่แหยมันเหม็นมันอับเนี่ยอันเนีกรรมาฐานว่าให้ฟังง่ายง่ายดังนั้นคนโบได้ที่งานสิในละว่างนุ่มสาวในโบได้เบิง้งว่าเจต น, นั้นสวยคนนี้สวยแล้วยักษ์สวยคือเขาอยักดีอยักษงามคือมุกคือเพื่อนเนี่ยเป็นไงครับอันเนี้แสดงว่าเขาโบได้เหลี่ยงเบิง้งโตเขาที่มาว่าเนี่ยก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยเพื่อนเพื่อ น, อนรุ่นราวข่าวเดียวกันนี้แหละ แล้วก็สำลักสำลาักกระมีพิจะะารณาเรื่องกรรมฐานเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องพิจะะารณาพอแม่คุนสอนดังนั้นหลวงพ่อได้เฮ็ดได้ฝึกมาตั้งแต่เมื่อสมัยเป็นเนรมาบวชเป็นเจ้าหัวนุ่มก่อนเนีย่ยพอกับฝึกมาเรื่องนี้บางคนก็ไบ่รูจ้จักบางคนก็นรู้จกักเรื่องทํากรรมฐานหลวงพ่อได้ทํามาหนึงหายใจเข้าพุทหายใจออกโธ ต่อจากนั้นมาก็มาหัดนับหนึ่งสองสามโคคุบาจานสอนต่อจากนั้นมาก็มาหัดสัมมาอ拉หะแล้วก็มาสมัยหลวงพ่อไปอุดรหลวงพ่อติดพ่อติดโมนี้นี่ยเป็นครูอยู่บ้านเหาไปนํางกับนญญายพอนายพอได้ตำรามาจากอุดรเป็นวิธีของยุกหลวงพ่อได้ถามเพื่อนแล้วก็สอนให้หลวงพ่อเอามาฝึกอยู่อะ ซึ่งเหล่านี้หลวงพ่อพูดมานี่มันเกี่ยวข้องกับลมหายใจทเสมดหายใจเข้าพุทหายใจออกถูกกัต่างๆลองยกก็ตามมันเกี่ยวข้องลมหายใจคนเรียกว่าภานาปานสติอะไรสักเรื่องนี้หลวงพ่อได้เห็ุมาหลวงพ่อบ้โหดจักเรื่องบาปเรื่องบุญทำดีทำชั่วหลวงพ่อบุ้จักหลวงพ่อลู่แค่ดีอันเดียวชั่วนหลวงพ่อบุ้ลู่ ดังนั้นพ่อแม่พี่น้องคงจะเข้าใจดีที่หลวงพ่อชอบทําบุญคนที่มานี้ครับเป็นรุ่นลาวขาวเดียวรุ่นน้องกับต่งางๆต้องได้ไปให้เขาพุ่มให้เขาปาดบรรยากาศพอพ่อแม่พี่น้องเู้าใจดีเฮ็ดก็ต้องเอื้นพี่เอื้อนน้องถึงบ้านเนี่ยไปซอยเฮ็ด บ, บุญประจําปีเมื่อเฮ็ด บ, บุญแล้วหลวงพ่อก็เคยว่าให้ผู้เท่าผู้หญิงต้องตัดต่องห่อเขาต้มห่อเขาปาดเ้าใจ ก, กันดีผู้แทนเขา แล้ตัดตองห่อข้าวต้มข้าวปาดแล้วก็ต้องอกรีดมากมวลบุรีนี่แสงารประเทศนีเขาผู้ชายผู้เท้ากระร้างผู้นุ่มกระตามต้องไปห่อก็ต้องขุดหมกากเผาเห็ดข้าวปาเนื้อสี่หม้อห้าหม้ออย่างนีเช่นกันทุกกดผู้หญิงแบบนี่ยคันคนนุ่มคนสาวเขาเจ้าไปไปเป็ข้าวปุ้ น, นต้องไปเห็ดหน่อพ อ, อ้อมคุณบนทานา้ำเขาคุณไอ้น้ำแล้วเดีเอามาสู้กันจีน กัญจินมื่อแรงเอาไปบ้านถ่บ้านลรวเหลือแล้วเอาไปแจกกันจินหลวงพ่อได้เห็ดหมาพ่อแม่พี่น้องหมานี่หลวงพ่อคิดว่าต้องหู้จักต้องได้เป็นรวมเห็ดบุญแบบนี้หลวงพอบุหู้จักตัวหู้จักเลยดีนึกว่าดีเมดพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตาทวดสนแึกว่าดีเมด่อต่อมาเมื่อหลวงพ่อไปทํากันมาถายแบบใหม่ๆ ไปหลงข้อบันทงเป็นอาจารย์สอนวิธีฟองยกยกส้ น, น, นสึูงสูงและเพื่อนก็นเลยสอนให้ภวนาตายหายใจเขาก็ให้ว่าตายหายจออกก็ให้ว่าตา ย, ายอะไรก็บรรว า, ายคันว่าเรื่องนี้มันต้องเข้าข้างตัวว่าเรื่องความจริงให้พอให้แม่ให้ไอ้ให้น้องฟังว่ากันหลายข้างหลายคนบางคนก็เข้าใจบางคนก็บอกเข้าใจเพราะบ้ได้เรีย่ยวเข้ามาหาตัวเอง อยากได้บุญแต่บุหุจักว่าบุญคือหยั่งบุู้จักหลวงพ่อเนี่ยพ่อแม่พี่น้องรู้จักสร้างโบสถ์สร้างสิ่ง์บนั้พอไหมแม่พี่น้องเดือดร้อนอย่าพอมีสตางค์พอใส่เสียสละเพื่อพี่เพื่อน้องเพื่อบ้านเพื่อเมืองอยากดีอยากให้มันดีบ่วงีเน่ยพอรับภาระทางนั้นหลวงพ่อเฮ็ดนําพอนําแม่นําพี่น้นองหลวงพ่อบุหุจักผมสัวหุจักเป็นดีอันเดียว ตายแล้วคันทําบุญเขาจะได้ไปเกิดมือสวรรค์พูดเนี่ยตายแล้วยังไปเป็นมือสวรรค์ก็ได้คันทําำั่วนแล้วตายแล้วเขาจะไปตกนรกตายแล้วอย่างไปหลวงพ่อโบ้หัวจักเรื่องเรานี่เมื่อหลวงพ่อไปอบรมกรรมฐ า, านดูดที่สี่เชียงใหม่เนี่ยพระวันทองสอนหลวงพ่อเกิดมีความเข้าใจพอดีหลวงพ่อขึ้นมาหลวงพ่อกลับมาวาให้โดยของหยังอยู่นี่เนี่ยอย่างมูแม่เขาเอง น้ออเข้าใจว่าจีนยันงแม่ทัพเองกับป้าเลืองกับป้านอมเ <c oughs> ตือนนั้นเตือนนั้นนอกนั้นคือจตายแต่ล้วียังกับบุจักจูแม่ยาเท่าซุมมูแม่เท่าลงแม่เท่าจันทร์ปปาาพ่ป้าหานมูลุงผูนยัอินปอินนี่คือตายมแด้วะมูเนียกับแม่ล่มในหุกขจียัหงหรือตายแลยเขาไม่ล่มกันเลยบุยังบอกออมูเขาจำฮวนมนี่แหละยังมูเนียยังมูีหละยังได้มาเฮ็ดบุญ ยาพ่อก็เลยว่าอยาชูเหตยาชูจีกมากบนบุรีเนี่ยนะพ่อว่าอยาจีกมากเนี่ยมันเป็นกิเลสมนบุรีให้เจ้าหัวไอจัวซูบด้วยมันเป็นกิเลสมันเป็นบาปพอแม่กับตำหนิบางคนน่ะมาลบล้างข้าหนุบทำเนียมประเพณีบักอันเนี่ยเพราะว่าเอา้าวจะลบล้างไม่หยังเอาคองจริงมาว่าให้ฝังคนจึงว่าสอบของจริงเมื่อพูดของจริงให้ฝังแล้วบอกสอบเป็นหยัง เพราะมันยึดมันคือเขาโบ้หูวจักเขาอย่างเหตุเมือ่อหูวจักแล้วก็เสาร์ซนะื่อนีเนี่ยอย่าพอหูวจักมือเสาร์รบระเบาเท่านั้นมือเท่า น, นี้มืออืหดอกอย่าพอหูวจักเลยอย่าพอหูวจักจริงๆเมู่อพอจันหัวนี้กี่ได้ฟังดีเหมือนฮิ้วต้นน้ําปุ๋งเนี่ยมันหลุดปุ๊แตกมัดต้นน้าปุ๋งน้ํากระจายทั่วทิศอย่าพ อ, อวางสี่นิ้วดอว่าจางแตงสีอย่าพอโบมีความจริงว่า หลวงพ่อรู้เรื่องนี้รู้จริงๆรู้โดยโบอกก็คือบาปบุญนรกสวัสด์มันเป็นอังซีหลวงพ่อู้จักมาห่อเลยเขราจะมาให้เลย ก, การเฮ็ดบุญเฮ็ดทานให้เลิกกินเล้าเล่นการพนันสุก บ, บุหรี่เก่ยวมานันม่หลวงพ่อบอกบอกเขเข้าใจนั่นเด้นี่ได้ก่อนหลวงพ่อเป็นคนเฮ็ด <c oughs> เป็นคนพาพ่อพ า, พาแม่พาพี่พาน้องเฮ็ด เดี๋ยวนี้ทำมหลวงพอเลิกเป็นอย่างพราะหลวงพรู้เดี๋ยวนี้อันนี้รู้อย่างไม่รู้รู้อย่างผู้รู้จำอะไรไม่รู้รู้อย่างไม่รู้รู้ตามพอตามแม่ตามปู่ตามญาตทโยตวตามครูบาอาจารย์สอนมาซื้อซื้อบุได้รู้เองเขาสวดธรรมคุณหนึ่งสันทิปโกเห็นอันผู้รู้จะพึงเห็นเองเรารู้เองเหตุเองอะไรจริงรอรืบอกบอกฟังใคร อาการลิโกไม่ประกอบการและเวลาจะไปยุกใดสมยัยก็ตามมันเป็นอะไรอย่าพ่อก็เลยเลิกได้พอแม่ที่น้องชีวา่าผิดแล้วมึงก็ยอมผิดพ่อคกจริงอย่าพ่อต้องยอมรับอย่าพ่อจึงว่าบวารไอ้ไผ่พชีวะตั ก, กระทำกลางหลักธณะอย่างพ่อว่านี่อย่าพ่อรู้ใจจริงพอเปิดอบลมนี่พัสนาตำลับบ้านบุหงเนี่ยหลวงพ่อเป็นคนลิเริ่ม เป็นคนพาพ่อพาแม่พาพี่พาน้องโบเสื้อหู้จักมัรุกคน น, นึ่งบอกเขาใจหัวลวนอ่ามเนี่ยู้จักเนี่ยพ่อเป็นคนรินเลยเนี่ยพ่อต้องว่าคนกินเหล่างที่อยู่โบใส่เสื้อสิ่งที่ผิดเนี่ยพ่อก็บอกว่ามันผิดมันบูทุกสิ่งที่ถูกหลวงพ่อก็บว่ามันถูกหลวงพ่อบอกคัดค้าน ท, ทั้งหมดหลวงพ่อจะว่าคนจริงให้ฟังสื่อๆผู้ที่บอกเข้าจะกระจัดเป็นต้องต่อว่าต่อเทียงเพราะว่าต่อเสียงกระซ้าง เนีย่ยพ่อเป็นหน้าที่จีตว่าของจีงให้คนฟังเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยเหงาเพราะว่าต้องจบเดี๋ยวนี้นร ก, กสวรรค์ก็ต้องเอาเดี๋ยวนี้ถ้าตายไปแล้วย่มมันจีมเาจับเนี่ยตายแล้วคือทุกเงี้ยแหละนรกนรกคือขวมทุกสวรรค์คือยังกันสวรรค์คือขวบโบทุกเนี่ยเขาเคยว่าให้กัดอยู่เนี่ยก็ว่ายฟังอยู่เรื่อยเงี้ยคนพูดยากวายาก เขาเอ้บักพีเป็นบ้านเขาแ ม, นม่นบนนอกบักพีนี่ก็เป็นวางางานี่ยพีมันอยู่กันคนใดวางายสอนนายอ้อคือเทวดาเนอะมือเนี่ยบ้หูจักส ม, มุติเขาจึงไปยึดไปคือสิ่งที่บ้มีประโยชน์ถ้าเขาหู้จักและเขาเลิกเองของเพนี้ควมซัวเขาก็เลิกสนะพ่อแม่ปู่ยาตายาเขาสอนเด็กน้อยหลวงพ่อนี่เป็นเด็กน้อยต่าเข้า ทำเข้าน่ะป้อหนอมไปไถนานําพ่อพอต้องเอาบุรี่ให้สู้บนลงผ้าเนี่ยพอไปนอนนาอย่างพอเดืนอนหน่อยเอาไปใต้กของย้า้พอไปแลนไปเอาไปจุดแตกก็แล่นมามาพอด้วยมันมอดมันไกลมามึงยังบบสู้มาเหรอว่าต่อโบต่อกรสู้มาติ ด, ดยาเนี่ยอันนี้พ่อแม่บบเป็นท้าอเนี่ยแต่พ่อแม่เน่ยฮักลูกที่สุดป้าหนอมในแควมากนะําแม่เนี่ยพอ่อแคว อ๋อแม่มแมแคิดมากเลยแม่คิแบดครัมาให้เป็นอันนั้นให้แม่ได้ไปเนี่ยมันสร้างสอนอันนี้สอนลูกผิดได้นี่โบแมนเนี่ก็เคยว่าจริง ท, ทำดีไว้ให้ลูกทำทุกไว้ให้หลานโบแมนอนนนทำผิดไว้ให้ลูกอทำโบดีไว้ให้หลานเขาที่เห็นสิ่งที่โบดีนกะก็ว่าอย่างนีอยู่เลยในยบางคนก็ว่าอย่างพอนี่ลบล้างขนบ ป, ประเพณีอ้าวอันนั้นโบดีกับคุณลอตออาทิ้งสนว่ เขาอาบน้ำโดยเบื้องหนึ่งสองเท่าอย่างอาบในล่างเฮินล่างไข่กระเมนสนวะก็หาว่าคิดเต้ามาคิดสักที่เฮีเจ้าของเนี่ยไข่บัอาบจะอาบก็บว่าล่างดีๆกันยังมาเมน็นที่เฮีอันนี้เนี่ยเขาบอสําสระธสาล่าก็ยึดถืออย่างสนเนวะเขาจะไปยึดไปถือไม่หยังลองเฮ็ดกินมาแม่เฮ็ดได้จากต่อมือสามืออย่างไปกินเนื้ออาหารก็นเน่ากระเมน็นสนวะพระพุทธเจ้าเป็นสอนอย่างที่นหนสอนหนึ่ง คนโง่คนวะสอนให้เขาสลาดขึ้นมาบ้างว่าันมูพ่อบุตรไ่ไปทำขวนี่เป็นบะเนียพ่อไปมือหนึ่งองเที่สาเที่ไปวาให้ฟังบางทีก็เข้าใจแล้วก็จำเป็นเขากรติดสั่งอยู่เพราะว่าเขากำลังทำงานเนี่ยเจ้าของไปพาข่มเบ้าเขาพยามอยากว่าถ้าไปเจ้าสอนคนโง่ให้สลาดสอนกำลังคนทำสัวให้เขาเลิกละจากขมสัวกลับมาทำดีขึ้นวัน ซอนคนที่มีทุกนง่นอ่ะให้มันหมดทุกไปพระเจ้าตร์ทอดทอนี้เรื่องบ้านเรื่องบุญนั้นเอาไวส้สก <c oughs> ่อนหลวงพ่อจีว้ฟังคนบบเรียวหลังโบเหลียวนะนี่โบเหลือวตายโบเหลียวขัวเขาว่าคนเป็นมาพาศคนเป็นมาพาศเนตายเครื่องนึงเขาว่าคนตายเฟืองคนตายเครื่องคืนคิดใช้ประโยชน์ได้ดีบ่ กระโบได้แล้วคุณตายครึ่งหนึ่งเลยเด้ตายซีคลายกรบโบดีตายขี้กลัวกรบโบดีคนมีตาสองตาหูสองหูก็ตาบอขึ้นเบื้องนึงแบบนี้หูกระนวกเบื้องหนึ่งที่เป็นคนดีบอกระโบดีแล้วทีว่าอย่งไรคนต้องบบเป็นมาพาดแข่งบอขาบอหานต้องโบเป็นมาพาดได้ไปมงานแข่งแหลกเนี่ยไปใสมาใส่กระหอดคนมีตาสองตาเบื้องอย่างกระหูจัก คนมีหูสองหูฟังอย่าการรู้เรื่องเดี๋ยวนี้มันคลายๆ ค, ค, คือคนเป็นอมาพาเป็นไรท่านเขามีซีกเดียวผู้จับได้ซิกดีซิกตัวบูผู้จักคนเป็นมาพาเป็นังไงคนมีตาเดียวแบบนี้เบื้งแต่มู้จับได้บูเมีนคืออีพอ่อคือแท้เนี่ยคือซื้อได้อยู่ไก่เบื้งคืออีแม่กูแท้เนี่ยจับเข้าไปใกล้ๆแล้วไปจับเบิ้งอีพอ่อจน บ, บูเมีนอีพอ่อเขอาซ้า เขาไปไกลๆอีเมีแต่บริเวณอีเมียหดแต่มันเป็นเพียงคืออย่างว่าเฮ้ยยังเอาแต่แค่คือเท่านั้นนหะของจริงบาเอาอน่ยเพราะว่าของจริงให้ฝังีนบริษัทเขาเอาแต่เพียงแค่คือมันก็แค่คือเท่านั้นได้แตแค่คือเท่านั้นจริงแค่บไ่ได้เน่ว่าคนเป็นมาพาสคนตายเฟืองแล้วคนตายเฟืองคนเป็นมาพาสเนมาจีนได้ประโยชน์มั้น่ยอ้าววันนี้สมมุติให้ฝังจีนคนหนึ่งตาดีหูดีกลับไปได้ฝังได้เนี่ย ลอยตังคนโบเป็นเราพาต่อไปใส่ก็ไปฮอดนี่ยคุณว่าเนขาเห็ดนาจําเป็นต้องเอาข้าวเปลือกไปวานข้าเลือกเอาในบ้านของเห็ดข้าวเปลือกเข้าเม็ดมัดนี่ดีเลือกเอาให้เขาปลูกนี่ยมัดใดมันมีข้ารีบไรโบเอาเอาไปเข้าผ่านเข้าเสื้อฮอดยามฝนมาเนี่ยเอาข้าปลูกเขาน่ะไปวานข้างนาคุณเห็ดข้ากล้าฮอดฮอดยามฝนมาเดือนเจ็ดเดือนแปดมาแล้วหกอะ ไถนาพอนเอาค้านไปดําแต่ดําเป็นฟางนี่มันเกิขึ้นมาเป็นข้าวกล้าเป็นฟางจากฟางมันจะไปเป็นข้าวมานบาเนี่ยจากมานมาเป็นข้าวอันฮงบ้านหาววัโฮงแล้วก็ต้องเป็นข้าวเล็บเฮงมาแล้ก็ต้องเป็นข้าวอ้วนข้าวเต็มเข้าวเนี่ยมันอ้วนมันเต็มมันก็แก่ขึ้นมาแบบนี้แก่ขึ้นมาเขาก็ไปเกี้ยวไปก่อเอาเอาตั้งแต่ข้าวอันอ้วนข้าวเล็บเขาก็บอกเอา เขพอเม็ดพอเครื่องพอการเนี่ยเขาเอามาเขารีบเนี่ยฮาว่าบอเอามาเสล้อเสกยศไปให้ผีไปแหกพออยี่ยพอให้ยังไงไม่ไทยพาพงเนี่ยเอามักบ้าเแล้วก็เห็ดมนต์มนเนี่ยอขาเขารีบแต่ฮันเขาเอิ้นเข้าผีเขารีบเนี่ยเขาบบมีไหนเอิ้นเข้าผีเนี่ยพอแม่พี่น้องอยู่นี่กับคุณจีนเข้จใจว่าเข้าผีไม่ยังเข้าผีคือเขาบบมีไหนคนฟังธรรมะโบเข้าใจกับเิ่งเข้าผีไม่ว่าอย่างไง คนเป็นกระพาะกับเป็นเขาวบัวอ้วนบัตเต็มถ้าหากเป็นขาอวขา้วนข้าวจว่าบหูกระดีแหงขากระดีตาคดีเบิ่งรู้จักดีรู้จักทั่วบัด น, นี้เขาเกี่ยวเอาเขาหนึ่งฟ้าตีมาฟางเฟืองบ้านเขาเหนียว่าเฟืองเขาก็เอาไวใ้ให้ยังเอาให้ข่วยกินหวยบ้านเขาหนุ่มหวยกินเขาลีบเรียนเอาไปให้เขาผีเอาให้ผีกิน เขาอ้วนเขาเต็ม น, นี่เอามาไว้เราของท่นตามกินข้าเปลือกเป็นบอสกินบอเปลนกินเฟืองก็กินบอเปลนเฟืองเอาหัวงูให้ขวายกินข้าเปลือกเอาให้เป็ด้ไก่กินให้กกใหมา้าให้หมูกิ น, ข, น, ข, นข้าสารเนี่ยข้าสารกับบอกินเป็นมดกินเป็นเข้าสรารเอาเห็ดเนี่ยมดโดนคนเอาเขาหอบไปหอยเห็ดเขากาล้าหรือใส่เขาให้มันเอาคนไปแล้วมันแกะ่ด่เดนไอ้หมดแต่มดมันยังหัวจากจเลือกกินจวายยังไง คนแท้ๆจีบวัวบุคคลจักเลือกกินมับกบเต็มทีที่วำมาใหานั้นมีตาสองตามีหูสองหูแข้งขาอยาเป็มมะพาเป็ น, าา เ, ปนเข้าสัางกัดกินบัเต็มต้องกินเข้าสุกให้หูวจักเลือกเป็นอาจจะว่าเมื่อพูดถึงตอนนี้แล้วกันธรรมชาติกระพูดมาแล้วเรื่องสมมุติให้ฟังคนมาตุ้นจักรวรรคนเกิดมาจากพ่อจากแม่แข้งขาหน้าตาเหมือนเข้าเป็นคนก็จริง คาว่าคนเนี่ยมันหลายอย่างวะ่ะมันมีดีมีซัวเนี่ยพ่อเคยว่าให้ฟังคนไปว่ากวนกันคือเฮาร์เรตลาให้เขาปุ้นนั่นนะคนเข้ากันเมื่อแล้กับเป็นเอ็ดเล่จูโมจะไปปั้นเอาเป็นข้าน่มเส้นเป็นเส้นออกมาเป็นขาปุ้นบ้านเขาบา น, น้ลาพ า, าไปคนใส่แอะงอ่ายๆกับมีมักเผ็ดมักเคือมีเนื้อมีอะไรเข้ากันหมดเลือกบอไไดายเลยกินครามีรสดีเพราะวะ่า คนนี่กจ็จะมจะรู้จักดีนะครับเลือกออกนะครับเกิดมาจากพอ่อจากแม่แข้งขาหน้าตามือเท่าเป็นคนพอ่พอพ่อก็เป็นคนแม่ก็เป็นค น, แ, ค น, นแม่หุ่นจักเป็นคนใช่ไเมื่อเป็นคนแล้วก็จะรู้จักฝึกหัดให้รู้จักหน้าที่ของคนเมื่อรู้จักฝึกหัดหูด้หจักหน้าที่ของคนแต้องปฏิบัติหน้าที่ของเราถ้าหากเราบม่ปฏิบัติหน้าที่ของเขาแล้วก็ว่ไม่คนแล้ว ก็ไม่ใช่คนครึ่องเดียวนึงแล้วก็เป็นคนเป็นอมาาพสาสตาก็มีตาเดียวหูกม็มีหูเดียวแล้วเพราะเขาบุ้งหัวจับหน้าที่ของเหาเนี้ยคนบุ้งหจักหน้าที่ของเหาแล้วจะเห็นยังไงที่เป็นคนได้บอกมันก็เป็นตั้งแต่รูปเนี้ยใจม่นเปลี่ยนเลยที่หลวงพ่อว้ยสัง่งหลวงพ่อรู้จักเรื่องนี้รู้จักจริงๆโดยที่โบเกอร์ขินเนีย่ยพ่อมาอยู่ซ้อนดูเหาเนี่ย พ, พ่ยอแม่ยพี่น้องตสองพี่ครัว รู้จักดีรู้จักหลวงพอดีหลวงพอ่อสอนแต่เรื่องเท่อ น, นี้เรื่องอื่นนั้นเอาสอนกันมามากแล้วเรื่องให้ทานทุกคนเฮ็ดเป็นแล้วรักษาจินทุกคนเฮ็ดเป็นแล้วทํากรรมฐาน น, น้อยคนเรื่องวิปัสสนาเนี่ยน้อยคนอีกเพิ่มทั้วิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งรู้จริงตามพรมเป็นจริงนะครเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงตามพรมเป็นจริงแล้วก็ตั้งเก้าลวงภาวะเดิมเหมืนวนนันส ตา้งเกาจะเทจพอบุรี่ลงก่เลิกจิ้เบียร์หลวงพอเลิกอพ่อติดเบียร์จิ้อจโอเวนตินหลพอ่อผองเลิกบวชมาแล้วโอ้หลายทียังเลิกได้เนี่ยมันติดโอเวนตินคาโบกินมันทองผูกกาแฟลงพ่พอเลิกได้ทันทีหงพอนุง่งเสื้อนุ่งผ้าลีดเดือนรูเลิกได้ทันทีบุลี่กันนุ่งไดเนี่ยนลวงพ่อเป็นอาสนย์ตั้งเกาลวงเขาว่าเดินเทแทะงพอ่อตังเทแทะบวแมงกี้บตางี้อยพอตาง อนี่ยพ่อว่าวาอย่างที่เมันวายจะก่อนอย่ยพาะว่ามาแล้วเด็กมีว่าให้ยังยังว่าคนให้ดิปัฒนาเนี่ยบางคนกับมาไปให้ดิพัสนาทํากันนี้ก็หลายคนไดู้หคนอย่างนี้มารุ่นใหม่ลุ่นเก่าบางคนเหตุแตได้มือหนึ่งสองมือสามหู้แล้วละวิปัสนาครับกลับไปคือเก่าบางคนก็บวกคือเก่าอันนี้วิปัสนานี่มันฟางเตลีนเลยฟางเต็ี่ยนยังไง นี่ปรารถนาไป้ว่าเห็นแจ้งรู้จริงนะคันเพราะยาตุปเปิดพัดลมมันเสียมันเขาเท็นโดีโบตุ้บเปิดพัดลมอย่างมันปิดเลดีโบต้องคนเอาฮ้อนกันดลเพราะว่าของจริงให้ฟังฮอนท่อปานนี้จะเที่ยวว่าฮอนเถอยวฮอนไปตกนรกมันอย่างฮอนหลายกนเนีย <c> เ <oughs> รงว่าให้หูวจักนั่นโกคือเหาโลภเห่าโกรธเหาเหาลง มันฮอนหนกฮอนใจผู้ใดว่าอย่างบวชึก อ, อกึกใจกูดีมึงดีกูยเหลือมึงกูซ่วเหลือนั่นแหละนรกมันฮอนอกฮอนใจเพราะเอื่อนรกเต้บนเนี่ยกินก็พอจากเถ่อกินน้อยกะสร้างกินหลากระจำกะเจวากินถนนหนทางกินทุกอันน่ะอย่างพอบว่ายอย่างสันบอเต้เนี่ยใครใครจะหลอกรัว หลอกลวงกันบูคุบคกมีจริยจักเพื่อเป็นคนโกหกกลอกลวงฮวากันเนี่ยหนังสือหลักสูตรนักธสันติมูลพนติเนี่ยมุจารสถิตนี่ก็าหุจักดียดเลยบกอกเพราะได้บวชเนี่ยแเ้าตามตำล า, นน า, ามรู้ตำมะลาเ น, นี่ยรู้จำมาจากพ้นมันเป็นรู้ด้วยตนเองมันจึงเลิกบวได้อยู่ยที่เนี้ให้บูญสังหอมทัดหลายปียงานสถิตบวชอยู่มีบนมาจารสถิต เนีย่ยพ่อเป็นคนนำข่าวนั้นที่บ้านบูโ h o เนี่ยเนยพ่อเป็นคนนำรุ่นน้องมารุ่นพี่นั่นแหะแม่ เ, เจ้าของพ่อทนเลือกคนนำจ้าเจ้าของพ่อทานเลือด ก, ก็เป็นเนี่ยพอลดเป็นคนนำพาพ่อพาเฮกมาแที่ยวเน่ะมันเลิกบอดได้นี่ยนะพอดีไปเห็นอันนี้มันเลิกเอาผู้เดียวมันโอ้เนี่ยบอกเห็นแจ้งรู้จริงบอว่ายผีบอว่ายเ ท, ยทวดาไหวเห็นยังเรื่องสมมติสมมติเทพเทวดาเห็นว่า เทวดาในทุกส ม, มุติเพลวัลลิสุทธิเทวดาอุปัตติกะเทวดาสมมุติเทวดาบูฮู้จักเทวดาเนี่ยพอสมมติเทศพิมุติเทพลิสุทธิเทพพลวัลลิบูจักขันธขันวะเรล่อนี้ข้าะจะฮู้จักตำราข้าจะเห็นมาเนี่ยพอบอกเทวดาคือคนพูดดีทำดีมีความละอายแก้ใจที่เรียกคมละอายแก้ใจผู้ใดบุละอายแก้ใจตัวเองที่เป็นคนได้บอก มันก็เป็นหมูเป็นหมาเป็นสัตว์ที่ว่าอย่งไหนเขาเบิ่งไม่มามันอยากขี้แต่มันก็ขี้มันอยากเงียบแต่ก็เงียบมันบุนเลือกที่คนเขากานพูดกานบูมุจักมันก็คือกับหมานะที่ผิดกันอยังกับมาคนหมาบางทีมันนอนสบายทำนี้หมาขี้เหินนอนเนี่ยอันนี้ก็จะตัวหาวันเนี่ยพอ่ากกว่าแนละ้วทีว่าอย่างไหนหมาขี่เือนนอนเฝ้ากองไฟเขามันสั้นงอกงอกอยู่เฉ เอาทรงฟานมาเอาผ้าหน่วมขัดคขัดไปโยนแต่ปุ๊บแล่นนีรถเนี่ยมาหักมันกรบบราดอย่างอันว่าวธรรมะให้ฟังเป็นหยัง่งคล้ายกันเป็นอะไโอ้ว่าเว้าดีๆให้ฟังก็แล่นหนีซ้ำเนี่ยมาที่เหินนะเพิ่นหักเอาผ้าหน่วมโยนเนียแล่นนีซ้ําฉันเฮงเฮงมากระมาแล้วมาเอาทีขย้ํานอนทับผ้าหนวมหนึ่งหน้าที่เจียมมาหอมคนเนี่ยเกิดมาแล้วธรรมะมันมีอยู่ใน ใ, นใจของนี่แล้วเขาอย่งบอมาใสา่เป็นหยัง เพราะมันบุหุ้จักยิ้โทษขาจะบรรัได้ขาจะบุหุ้จักนียเราต้องเว้าตามข่มกิงนี่ซื้อนี่นะขันวา่าใจสิโอ้โยหลวงพอ่ออย่าว่าวาจะขมเก้าเลยเอ้าก็ว่าขมเก้านะบอกว่าขมเก้าจีว่าวจำไหนของเกา้เ า, เกานะี่นะมันเกิดมามันได้มีรถนะแม้พ่อแม่เกิดมาก็มีจังสรรพบริเจ้าเกิดมาก็มีจังสรนคนจีว่าห้าหอกมีมัคก็เลยบัได้ห้าขอรร้รราของมีนี่ได้โลด ยู่เนี่ยทุกคนนั่งยู่เนี่ยเนี่ยเพราะว่ามืนบกโกดเหมือยู่ซื่อเนี่ยคันว่าห้องกะจีฮอนที่ธรรมดาห้องกะเอาฟังอนี่ยพ่อว่าซื่อๆอยู่อันนี่ลักษณะจิตใจอันนี้มันมีหมดทุกคนเซย์นี่ยคันว่าธรรมะเพราะอุเปะขาวางเซย์คนว่านี่แหละนิพานที่ไปเอาใส่อีกตื้มนิพานนะคันบ่กเอาเดี๋ยวนี้นี่มันก็ตายแล้วมันจะได้จังไดเฮคนตายแล้วว่าวนิพานให้ฟังบ่บ่าว่าบ่าว่าแท้ๆพ่อแม่ก็ตายมาหลายชั่วคนแล้ว น <necessary. S 2> so ี่แต่ตายแล้วอยังให้เอาเอาคนตายแล้วบุเห็นมาบอกจากเทธอนี่นะยพ่อยาพ่อก็ะทำบุญแม่ยาพ่อก็ะทำบุญแม่ไปยุบมือสวัสค์เนี่ก็บุญเห็นจดหมายมาบอกท้ำพ่อก็บอกเขียนหนังสือมาซ้ำได้มาวายฝังจกเคือเน่มาจีเสื้อได้จจ่มแหล่แจ่มใส่ยาพ่อก็เสื้อมาได้ดื้อมุ่งบัดนี้ยาพ่อโบเซื่อแล้วยาพ่อพระพุทธเจ้าอยู่งใส่แต่บุเห็นพระพุทธเจ้ามาที่มีพระพุทธเจ้าจากเธอทุกคนเขาได้ยินเน่พระพุทธเจ้าวาง ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเสด็จผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราเสด็จอยากจะบายจีวรเราอยู่ก็ไม่เห็นเราเลยเพราะไม่เห็นธรรมเสด็จเนี่ยเห็นธรรมนี่จะไปเห็นพระพุทธเจ้าุ่นน่ะเห็นสีเห็นสงเมื่อกี้เห็นยังพระพุทธตายไปแล้วจีวาจะไหนตายไปแล้วหลายปีแล้วนาเมื่อกี้เห็นแต่พ่อแม่เขาตายไปแล้วของกระโยบุเห็นนี่เห็นพ่อเห็นแม่เขาจะไปเห็นพระพุทธเจ้าได้จังไงคนมีปัญญาความกระลูสัญวา อันนี้แหละเขาบอกเข้าใจขันไว้ฟังโอ้ยเบาบ้าบ่บ่กเมเนเนี่ยเพอาะเป็นบ้าเพราะเน่อนี้เมื่อผู้ที่ฟังว่าเป็นกบ้าคนละบ้าก็าถว่าบ้าเดินทางคนละทางกันได้แบบนี้บ้านี่ยพ่อต้องเดินไปทางนึงต่างหากเ่ยพ่อบอกไปบ้าแบบนั้นเ่าบ้ากินเหล้าบ้าเล like, ่นการพันทันบ้าด่าคนเนี ata, ่ยพ no ่อบ่เอาเนี่ยพ่อบอกเอาไลยแตบ้านนั้นบ้านนั้นนะให้ให้ผู้อื่นเป็นคนดีถ้าเนี่ยพ่อบอกบ้านนั้นบ่เอาเนี่ยพ่อจะเอาบ้าว่าคนกินที่เนี่ยพ่อเป็นยังไง อยากเห็นพระพุทธเจ้าเบิ่งตัวเห่าเนี่ยใคยังเห็นเหาเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจพองสายจิตใจว่องไวฝึกหัดและตัดจิตใจป้องไปบบผิดถ้าหากไม่ได้ฝึกหัดจิตใจอย่างเศร้าหมองจิตใจคุ้นมัวจิตใจสกปกจิตใจบาว่องเบาไหวจิตใจซึมเศร้านี่คนเป็นบ้าเป็นอมพภารเลยนะไป แต่จริงแล้วก็ผิดผิดทุกทุกเสนอคนผิดบ้างถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้างดีบ้างตัวบ้างไม่ใช่ก็ผิดกันแลยแบบเดียวหนึ่งนี่เป็นอะไอันนี้แสดงว่าคนบุกเห็นตัวเองถ้าเห็นตัวเองแล้วก็รู้จักแล้วเรื่องของเขาบม่ใช่เรื่องของเราแล้วก็ว้าให้เขาได้เเรื่องของเขาอัน น, น, นั้นเป็นเรื่องของเราอันนี้มาเห็นทำเห็นตัวเฮานี้เขาก็ฝุกได้อย่างเฉยหย่ยพอหวาน อันจิตใจสะอาดกิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจ้องใสจิตใจว่องไวจิตใจพระพุทธเจ้าเป็นอยงสั้นแ่ะเขามีหักบุคคลขัดจับเือนั่งอยู่ดีๆสบายจิตใจสงบเนี่ยและจิตใจสะอาดได้ไหมนยบ่เห็นจิตใจตัวเองบ่เห็นจิตใจนึกใจคิดนึกก็สกปอกเสนน่งบ่นึกกรมีแต่จิตใจสงบที่ซื้อเส้นว่ะบ่เนี้เขามาเบิ่งตัวเฮาด้วยบ่เนี้โอ้จิตใจสะอาดมันเป็นอยงนี้เด๊เขาก็หูวจักเั้นหน่ง จิตใจสว่างยังก็เห็นแล้วเห็นจิตเห็นใจนมันจียากม่เนี่ของง่ายง่ายเนี่ยเอาไปให้ของง่ายให้มันยากซื่อนี่นะเดี๋ยวนี้เนี่ยให้ของงา่ากขั้น ง, ง่ายมาเบิ่งเป็นหยังมันจิตายเนี่ยโอ้โนเนื้ออย่างว่าของง่ายหให้ให้มันยากมันก็ยากสินวะเนี่ยว่าทำดีไว้ให้ลูกทำทุกไว้ให้หลานมันจีแม่นบอกสันมันก็ทำผิดไปให้ลูกสินะวะ่าทำบุญดีให้หลานสินว่าขันว่ายัย่งซีกะหาว่าอยากพอมาได้ เอาจีเบนดาตายดิเนงว่าให้ฟังซื่นๆนี่นะเราอยากหุ่นัยกของจริงห่ดเลยโย่าให้ฟังในโบเหตุจากเพื่อมันจีหู้จักโบลองนั่งเบอรแม่เพิ่นว่าเพิ่นว า, นวายัางซีวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนวาพระธรรมวินัยมีอยู่หากมีผู้ประพฤติดีปฏิบัติสอบตามพระธรรมวินัยอยู่มักผลมีพานก็อจีบว้วางจากโลกนี้เพิ่นไหน อันโลกนี้เขาจิไปว่าทีแว่าดินฟ้าอากาศเป็นโลกกโลกโตเหามิสันวะโตหอก็เป็นโลกนึ่งสนันวะกระยนสัตโลกเนตวา่าอย่างไรบัด น, นี้ถ้าหากค า, าวะญาติโยมลุทธิสุตสมณีออยู้โดยสอบวา่าท่นถ้าอลหัง็จะบว่างจากโลกนี้วา่าท่นเขายู้โดยสอบว่โดยดีเนี่ยเด็กเอมึงดีกูดีแต่ว่ามึงซื่อกูเร็วเอาอิสุนละมันจิอยู่โดยสอบแลยอย่างนี้กระยู่อันบอสอบอะไรนะท่น อยู่โดยชอกก็เฮาเบิ้งตัวเฮามันคิดกับหูจักไม่สนุกมันคิดให้คิดเดียวก็เห็นใจเฮานี่แต่ว่าเอ้ยยู่โดยชอบพระอาหันต์กเห็นอย่งสิ้นสุดขันท่าอาหัน์นั่งอยู่นี่พุ่นไปเห็นรถตเตรี่เขาหมู่อยุงเทพพุ่นเนี่ยมันเห็นไปทางโบเมนพุ่นจังหวะนั่งอยู่นี่ไปเห็นตับไตไสปอกพระอรหันต์เห็นพระอรหันต์เบียดนั้นซอกพระอรหันต์บดนั้นซอกจนตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดจากลอยไากระโจน เห็นพระอรหันต์แบบนั้นพระอรหันต์แบบนั้นสมัยพระพุทธเจ้าคนกี่มีเทเทกขาบุ้งเขาจับและเนี่ยหลวงพ่เขาใจหลวกพอเข้าใจอย่างสิเข้าใจตอนเศร้านี่หนวงพอเข้าใจอย่างสิจะบอกอ๋อันธรรมะอันนี้มันมีอยู่ในคนทุกคนมันเห็ุได้นีนะคณอทุกคนเห็ุได้มันจิตได้ดอกแต่ถกิดเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าหมดอ่าวพระวอไปกับไปเปลี่ยนได้แท่เนี่ครับโบได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าคือพระพุทธเจ้าที่ซื่อดีนะพระพุทธเจ้าวายมั่งสิวะ สัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตรวัจนสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตรวัจนสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตรวัจนเขาบูฮุจจักนึกว่าสัตว์เดลัสัตว์มันจีเป็นได้ยังไงสัตว์เดลัสัตมันก็คนนี่สันจีจะเป็นได้อีกคนนึงนคือกันนั่นแหละเมื่อบูฮุฮุจยักษ์กรอันนี้วะเรื่องกรรมฐานให้ฟังตืมพระพุทธเจ้าเกิดมาก็เป็นมหากษัตริย์ให้ว่าแต่ไปมีลูกมีเมีย นกักการเห็นว่าโอ้หวมทุกยากปากหมองนี่เป็นอย่างที่นอกกัไปเห็นผามู่บริวารมู่นางสนมคนใายไปสมสุดออกมันก็ไปเห็นเจ้าหัวไอ้จัวเห็นสมรดเพศเลโอสมรดเพศนี่หากจีง่ายๆเว้ยโบได้ลงทุนลงแรงโบได้เห็นห้เหตุนาเว้ยทุกขี้เอาอย่างนี้นะจีนศึกษาธรรมะจีง่ายเพราะโบได้ยุ่งเกี่ยวกับไม่นีก็เลยออกบวชเนี่ยอันเจ้าหัวไอจัวอันนักบวชกามีคอนแล้วได้โบสักที่มามีใหม่นีได้ไห แค่เข้าใจยำกันศึกษานี่นะบวชแล้วก็ไปศึกษาเล่าเรียนกับอาจารย์สองอาจารย์พันว่าอาลาดาบทุตกาดาบทสองอาจารย์นี่เรียนนําคนแรกได้สมาบัติเจ็าจารยเรียนครั้งที่สองนีนะ่อาจารย์คนที่สองได้สมาบัติแปดอาจารยเรื่องมุลนี้ให้ฐานอาจารย์สถิตตุนกิจได้เพราะว่าเขาเจ้าเรียนบาลีบาเลออัไรเนี่นยเพราะว่าโบเปียนนอกเรื่องมุลนี่แต่ว่าบาเปีนกับโบอยากวาเพราะอายเข า, ขาเจ้ า, ขาเข้ า, ขาเจ้าข้าะจําได้อยี่ยพอไม่จําบลได้ ว่ากะผิดตำราไป็นรถเงาพอแล้วอันนั้นกับบนเมนฐานตัดสรุปบนเมนทานแก้ปัญหาบนเมนฐานแก้ถูกแล้วหายัางจีภาษาวา่าตักบาตจังหั่นเทงไปทำกรรมาฐานอันนั้นจนได้สมบัตเตะปุณกันยังบนเมนทางอยีวาจังไหนคันเป็นคนมีสองตาสองหูมันเป็นมาพานมันก็หูจักสนนวลเดี๋ยวนี้นี่คนเป็นอามาพานอย่างน่ะตายเฟืองให้ว่าจะไปตายเพิ่ง ตากับบอดเบื้องหนึ่งแล้วหูกหับนวกเบื้องนึงแล้วลูกกายก็ตายไปเฟืองนึ่งแล้วเขาจะเป็นคนดีได้บอกเป็นบมได้แล้วเพราะว่าเขาเวาให้ฝังกระ บ, บอกเข้าใจเลยเนี่ยจากขั้นมาแล้วลาอาจารย์ออกมาแล้วยังมาอดเข้าอดนานอีกตื้มห น, นี่งขั้นลมหายใจบอกินข้าวบอกินน้ำเจนที่ตายอีกตึมอันนี้ก็ยังบมเม่นทางตัดสู่โมเ ม, มนมรรคผลมีพานนี่ยังมูนเนี่ กันยังเฮ็ดเน่ยพ่อกันยังพาพ่อพาแม่พาพี่พาน้องเฮ็ดก็บพ่อบูฮู้จักนั่นเองเมื่อฮู้จักแล้วกลับมาว่าเรื่องฮู้จักให้ฟังก้าบูเสื้ออยี่ยโอ้โหหนเด้ออย่างว่ามันอย uhm, oh, ู่ลึกที่เด้ออย่างว่ามันเป็นอะไรเขาเคยได้ยินจารสถิตอิทธามให้ฟังเพื่อนว่าอย่างสี่ผู้เจ้าวทำเราได้เลยเป็นไปเพร่อความเบียดเบียนตนเองและคนอื่นนั้นไม่เป็นธรรมนั้นไม่เป็นวินัยนั้นไม่เป็นคําสอนของ พระตถาคตไม่คนศึกษาและไม่คนปฏิบัติเลยเขาก็ยังเทคอยู่ว่าต้องใส่ผู้รัดสถิตเนี่ยเนี่ยเทคอยู่แม่ไม่คนรหูบัวแต่คนรบูหูให้ต้องใส่คนบูหูเน่ยรู้อย่างไม่รู้อะไรรู้อย่างผู้รู้ได้ไปเนี่ยทําเราใดเลยเป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละเป็นธรรมนั่นแหละเป็นวินัยนั่นแหละเป็นคําสอนของเราตาคต ควรศึกษาและควรปฏิบัติตามว่าอย่างไรแ ม, นมน่นบนเหาะเพิ่งว่าจยางสั่นแล้วเหาอย่างบุหัวจักเป็นอย่างเหาะอย่างเรื่องอะไรก็พอรอให้ฝังอยู่กับบ่ บ, บ่ฝังอะไรมันหูนวกในคนมันหูนวกไปครั้งหนึ่งแล้วตากระบาตไปครั้งหนึ่งแล้วนะคนเป็นามาภาคนตายเฟืองนะ่ะมันก็จะเป็นคนดีได้บอกเลิกเลิกเลิกสิ่ีสวัวแต่ว่า บ, บ่ห้ามเนะียกินเข้าเปลือกกระบาเป็นกินเฟืองกระบาเป็น กินข้าวสารมันให้ไปกินข้าสุขเรื่องเข้าสุกในว่าเรื่องเข้าสุขให้ฟังมันนี่เป็นอย่างกินข้าสุขโยมมาเห็ุนี้ปรสัสนานี่แล้วเข้าสุกอันนี้นะ่ะมาจีบได้มีผ่านในเทานี่นะเพราะนี่พันมันมีอยู่แล้วนี่นะจะไปหาสุดายเว้ยคนมันว่ามีอันนี้อย่าพ่อไปเทศไปในภูมิคนไว้ฟังผ้าเหลืองเป็นเครื่องมืออารามหากินอย่างงามเขาให้แล้วไว้อีกทีคนนี้ อยามาให้แล้วเอาเของเหาให้ได้สาทุยตื้มมเอา้ายังไดนของเห่าเอาให้คนหนึน่งยาฝาอุยตื้มมันก็นดีเลยเนี่ยเยยห่ารอไหวพระจะพระยิ่งสบุหัวจักแน่เงียบอได้ยินมูอไหว้ฝังไอ้แสงเป็นพระกรรมฐานไปติดตลางเขาเป็นนักโทษได้บนเอาไปทํางานไอ้แสงเป็นพระกรรมฐานก็รู้จักการบวชการศึกดีหรือเ่ามันนี่ ผ่านลงหรือพวกขุมนักโทษวิวาจะหนหัวอย่าพอบุหวจักเรื่องมืลอย่างศตีวายจะไหน ค, ค น, น, น, น ข, ขุมนักโทษในวายะนพัชรีัรีเนี่ยนพอเราผ่านลงมันก็ผิดกันไดกัเน่ยเนี่ยว่าคนบุงหวจักกับคนหัวจักมันผิดกันในข่าู้เนี่ยแต่ว่านักโทษนี่ว่าคนเดียวกันไอ้แสงกระเถิบเวลาเมื่อแห เ, เมื่อสวยมาตีขวางเพลงเมื่อเจอกระไอ้แสงกะต้องหกคอเขาหยอกพอเ น, นี่ไปจะไปกินเพลบวกปิดประตูที่ ไอ้แสงเป็นนักโทกับเครืแต่เอาผ้าเหลืองกัเลยออกไปขบวดเอากนะโกนหัวแล้วขบวดเป็นกรรมฐานแบกปวดใต้เราไปหนึ้งหักกินไปจนตอนนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเรื่องนี้กลับมาว่าตอนอันนี้ลืมนี่แหละเขาบอกเข้าใจบอกเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างว่าอันบอกเข้าใจจีว่าเข้าใจจังไงนังบอกเข้าใจแล้วดีแล้วเราให้ฐานรักษาสินี่ดีแล้วแต่มันบ่ม่นฐานพ้นทุกข์ได้ไหอันนี้ทานที่อย่างพอวาเดี๋ยวนี้เนี่ย มันมียเยอะทุกคนได้โ ต, ตมา ก, ก็มีได้มันนอนสบายอยู่ก็มีแนะ่บางทีบางทีคนว่าไปโหลดมันสนหลั ก, ลกคนนี่ก็คือกันเขาว่าโบดีก็เฮ่อนําเขาเขาว่าดีก็เฮ่อนําเข า, เาโตของโตแล้วโบดได้เบิ้งจากเธอดีแท่บ่โบดีแท่บ่อย่างโบเบิบ้งก็เบิง้งโตเฮาเนี่สนวะเขา อ, อยากมีเงินเขาก็ดูสนวะนี่เรื่องจังไลยถ้าเพื่ได้เจ้าโบจะจะเป็นจนเป็นโต เขได้ยินในพระวรกลิบมักพระพุทธเจ้าซอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าลูกเสวยลูกน้ําไปไซก็อยักสมยักดูพระพุทธเจ้าบ้ได้เบิ้งพระพุทธเจ้าบ้ได้เห็นพระเจ้าหยาบนึงกะใจก็บรสบายเนี่ยว่านักแสนงในบทเขาบอกเขาใจซื่อดีนะพระพุทธเจ้าก็ยังว่าอันนี้เนี่ยบทเสดอพระพุทธเจ้าว่าคันพระพุทธเจ้ามันที่เป็นยังไงสี่ใส่ ถามภาวกะลิกว่าภาวกะลิกตายเป็นมรตายเป็นเน่าเป็นบ่เน่าเป็นเม็นเป็นบ่เหม็นเป็นบันนี้กระซี่มือมาใส่พระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้ตายเป็นหมอมันตายเป็นเน่าเหม็นเป็นคือกันแม่ขันตายเป็นเน่าเหม็นเป็นเมื่กี้เป็นพระพุทธเจ้าได้ทําไมเขาบอเข้าใจแล้วขบยังซี้กันได้แม่หาว่าพระพุทธเจ้าในโบตายแบบนี้เขาใจไปยั่ไงเนี่ยพ่ออายุสี่สิบหกปีเนี่ยพ่อรู้จักเนื่อหนี้มาเนี่ยพ่อจึงโบเสื้อให้พระพุทธเจ้าคือจิตใจสะอาด